พเราทั้งหลายบางทีเราจะได้ยินว่าผู้มีบุญมาเกิดบางทีเราก็ได้ยินว่ า, าคนโน้นสำเร็จผลโอ้บุญของเขาบางทีก็ได้ยินว่าเมื่อคนเขาถูกหวยลอตเตอรี่ที่หนึ่งแล้วก็โอ้บุญของมันวาสนาบารมีของมันไม่เคยมี คนที่ว่าได้ดิบได้ดีแล้วว่าบาปของมันแต่ว่าถ้าคนไหนได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเราก็ว่ากรรมของมันโอ้คนนั้นเกิดมาขาก็ไม่เท่ากันหรือว่าเกิดมาบ้าใบาเสียใจรทิตผิดมนุษย์หรือว่าเกิดขึ้นมาก็มีแต่ความทุกข์ตลอดเขาเรียกว่าบาปทั้งบาปทั้งกรรม เอาว่ากันอย่างนั้นเราก็คงจะติดบาป ก, กันอยู่เมื่อเรารู้ว่าเป็นเช่นนั้นแล้วเหตุเนไหนคนเราจึงพากันเผลอเลยไปทาบาปเข้าให้เช่นตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นกินเหล้ากินเหล้ามันก็ไม่ได้ว่าให้ประโยชน์อะไรต่อร่างกายก็มีแต่จะเมาไมา่ แล้วก็เสียสติแล้วก็เสียเงินแล้วก็เสียสุขภาพหรือกินยาเสพติดอย่างนี้ก็เสียทั้งเงินเสียทั้งสุขภาพเสียคนทั้งหมดพวกบาปเหล่านี้น่ะไม่ได้มีใครต้องการแต่ทำไมไปเจอเข้าอย่างไรเข้าก็เพราะเหตุว่าความประมาทความประมาทนั้นอ่ะ เมื่อเกิดขึ้นแก่มนุษย์แล้วเนี่ยเขาว่าทําให้ตาบอดตาเราดีๆเนี่ยแหละมันกลายเป็นคนตาบอดทําไมซึ่งบอกว่าตาบอดเพราะมองไม่เห็นของจริงไอ้ต้นไอ้นี่มันเป็นต้นไม้ก็มองไปเห็นเป็นนกเป็นหมูไปหรือไอ้นี่มันเป็นบ้านเรือนก็มองเห็นเป็นเป็ดเป็นไก่ไปคือไอ้ความ ประมาทเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ฆ่ามนุษย์ฆ่าคุณงามความดีต่างๆมากมายทำไมเราจึงประมาทก็เพราะเหตุของการเสียสติเพราะว่าสติระลึกไม่ได้ ท, ทั้งๆที่เราไม่ได้ชอบมันแต่ว่าทำไมถึงเผลอไปทำเข้าก็เหตุที่เป็นปัจจัยสำคัญก็คือกิเลส กิเลดมีสามกองคือราคะความกำหนัดจินดีโทสะคือความโกรธโมหะคือความหลงสามประ ก, การนี้เป็นต้นเหตุที่ทําที่ให้คนมีความประมาทประมาจนกระทั่งเกิดความหลงไหลประมาจึงกระทั่งเกิดความไม่เข้าใจเมื่อโทสะเกิดขึ้นก็ฆ่าฟันลันแทงกัน เมื่อโทสะเกิดขึ้นก็ผูกพยาบาทอาค่าจองเวรกันเมื่อโทสะเกิดขึ้นก็เกิดการที่ทำลายทำลายต่างๆเมื่อโมอาหะเกิดขึ้นก็รุ่มหลงหลงไปจนกระทั่งไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรลูกใครเมียใครอะไรอย่างนี้ก็รู้กันไม่ต้องรู้กันแล้วเพราะว่าหลงอันนี้มันเกิดขึ้นจากการที่ขาดสติ สตินี่เป็นตัวกำกับที่มีความสำคัญแล้วสติมันขาดได้อย่างไรสติมันก็ขาดจากการทำสมาธิเมื่อไม่มีสมาธิสติก็จะต้องล่อยหลอลงไปทีนี้สมาธินั่นนะ่ะจุดมุ่งหมายของสมาธิคือการสร้างพลังจิตพลังจิตนี้จะเป็นตัวที่ปรับให้เกิดสติ เมือ่อบุคคลผู้ใดมีสมาธิเขาก็จะเป็นผู้ที่ไม่ไม่ประมาทคือมองเห็นมองเห็นชัดเจนว่าต้นไม้ก็คือต้นไม้บ้านก็คือบ้านเตา่าคือเขาเตา่าเป็ดก็คือเป็ดนั่นเขามองเห็นความจริงได้แต่คนที่ประมาทมันมองให้ผิดแปลกไปเขาเรียกว่ามันตามมันบอดมันเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องการอยากจะให้เรามีสติเราก็จาเป็นที่จะต้องมีสมาธิการที่จะมีสมาธิได้ก็ต้องมีการบริกรรมการที่จะบริกรรมได้ก็คือการมีสติในเบื้องต้นมีสติระลึกได้สติก็แปลว่าระลึกได้สติ นี่มันเป็นตัวสาคัญที่จะทำให้สมาธิเกิดขึ้นสมาธิก็ช่วยบำรงสติให้มีกำลังเข้มแข็ง ม, มันเป็นอย่างนั้นช่วยกันเมื่อระลึกได้แล้วคนนั้นก็มาทำสมาธิสมาธิคือการบริกรรมก็คือบริกรรมก็หมายความว่ามีอารมณ์เป็นหนึ่งก่อนแต่ที่จะทำสมาธิน่ะมันมีอารมณ์ร้อยแปด แล้วทีนี้เมื่อทำสมาธิก็มีอารมณ์เป็นหนึ่งเมื่อมีอารมณ์เป็นหนึ่งแล้วจิตก็เป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วก็ผลิดพลังจิตพลังจิตก็จะไปเป็นตัวแปร ى, มีความสำคัญที่จะไปส่งเสริมให้สตินี้มีความแก่กล้ายิ่งขึ้นนี่มันเป็นไปอย่างนี้ถ้าหากว่าเราพากันเข้าใจได้ยินได้ฟัง อะไรที่พระท่านเตือนสติให้เราก็พยายามจดจํำไม่ใช่ว่าเราจะคิดว่าตัวพวกเรานี่เป็นยังไงก็ช่างหัวมันเถอะเจ้าหัวมันไม่ได้เพราะว่าชีวิตของคนเราไม่ใช่หนูทดลองจะไปทดลองขึ้นมามันไม่ได้มันเสียหายมากชีวิตเป็นของที่มีค่ามาหาศาลเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลาย จงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดสวัสดี